11. โสมณัต ส, สูปวิจารการใคร่ครวนอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งสมณัติ6 1. เห็นรูปทางตาแล้วใคร่ครวนรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งสมณัติส 2. ฟังเสียงทางหูแล้วใคร่ครวญเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งสมณัติส 3. ดมกลิ่นทางจมูกแล้วใคร่ครวนกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งสมณัติ สลิ้มรถทางลิ้นแล้วใคร่ครวนรถอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส 5. ถูกต้องโพธิพะทางกายแล้วใคร่ครวญโพธิพะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส 6. รู้แจ้งธรรมารมณทางใจแล้วใคร่ครวนธรรมารมอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส 12. โทมนัสูปวิจารณ์การใคร่ครวนอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัต6 1. เห็นรูปทางตาแล้วใคร่ครวนรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัตส 2. ฟังเสียงทางหูแล้วใคร่ครวญเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัตสาดมกลิ่นทางจมูกแล้วใคร amen, ่ครวนกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมานัต 4. ลิ้มรถทางลิ้นแล้วใคร่ครวนรถอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนต์ 5. ถูกต้องโพธพภะทางกายแล้วใคร่ครวนโพธพภะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนั์หรู้แจ้งธรรมารมทางใจแล้วใคร่ครวนธรรมารมอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนนต์ 13. อุเปกขูปวิจารณ์การคลครวนอารมณ์ อ, ม <S S S อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา6 1. เห็นรูปทางตาแล้วคล้ครวนรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 2. ฟังเสียงทางหูแล้วคล้ครวนเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 3. ดมกลิ่นทางจมูกแล้วคลครวนกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 4. ีลิ้มรถทางลิ้นแล้วใคร่ครวนรถอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 5. ถูกต้องโพธิพะทางกายแล้วใคร่ครวนโพธิพะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 6. รู้แจ้งธรรมมารมณ์ทางใจแล้วใคร่ครวนธรรมารมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา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 หเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุนั้นอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรมอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์และไม่ทําศีกขาให้บริบูรณ์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาอยู่อย่างไม่มีความเคารพ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 ท่านทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งวิวาท ท, ที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นแหลถ้าท่านทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นหมูลเหตุแห่งวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้หมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นแหลไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป 2. เป็นผู้ลบหลูตีเสมอ 3. เป็นผู้ริษยามีความตระีนี่เป็นผู้โอ้อวดมีมายา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิ 6. เป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุใดเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้น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 ท่านทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละโมลเหตุแห่งวิวา ท, ที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นแหลถ้าท่านทั้งหลายไม่พิจา ร, รณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาเช่นนี้ภายในหรือภายนอกท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้โมลเหตุแห่งวิวาที่เป็นบาปนั้นแลไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งวิวาที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป สิบหกธาตุหกหนึปฐวีธาตุธาตุดิน 2. อาโปธาตุธาตุน้ำา 3. เตโชธาตุธาตุไฟสวายโยธาตุธาตุลม 5. อากาศธาตุธาตุคือที่ว่าง 6. วิญญาณธาตุธาตุคือความรู้อารมณ์ 17. ท่าที่สลัดหกหนึ่งภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญเมตตาเจโตวีมุตแล้วทําให้มากแล้วทําให้เป็นดุจยานแล้วทําให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารลบดีแล้วแต่พยาบาทความคิดร้ายก็ยังครอบงำจิต ข, ของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนถือว่า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 พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลยผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกสุได้เจริญมุทิตาเจโตวิมุตต์แล้วทาให้มากแล้วทาให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปราบรบดีแล้วแต่อรติก็ยังครอบงำจิตของภิกสุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมุทิตาเจโตวิมุตตนี้เป็นท่าที่ฉลัดอรติส ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเขาพเจ้าได้เจริญอุเบกขาเจโต ว, วิมุตต์แล้วทําให้มากแล้วทําให้เป็นดุจยานแล้วทําให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสังสมแล้วปร่ารบดีแล้วแต่ราคะก็ยังครอบงำจิต ข, ของเขาพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเถอว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้ผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาค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 เป็นธาตุที่สลัดราคะ 5. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเข้าพเจ้าได้เจริญอนิมิตตาเจโตวิมุตต์แล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วแต่วิญญาณของเข้าพเจ้าก็ยังแสหานิมิตอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนถือว่าอย่าดื้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุ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 ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอนิมิตาเจโตวิมุตตินี้เป็นท่าที่สลัดนิมิตทั้งปวง 6. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเข้าเจ้าปราศจากอสมิมาณนะและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นนี้แต่ลูกสอนคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงำจิตของเข้าเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนถือว่า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 ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสภาวะที่ถอนอสมิมาณนะนี้เป็นธาตุที่สลัดลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย 18. อนุตริยะ6 1. หนึ่ง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 สตาวิหารธรรมทมเป็นเครื่องอยู่เป็นนิตของพระขีณาสพหภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบขามีสติสัมปชัญญะอยู่ 2. ฟังเสียงทางหูแล้ว 3. ดมกลิ่นทางจมูกแล้ว 4. ลิ้มรสทางลิ้นแล้ว 5. ถูกต้องโพธพะทางกายแล้ว 6. รู้แจ้งธรรมารมทางใจแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ 21. อภิชาติ6 1. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกันหาพภิชาติ เกิดในตระกูลต่ำประพฤติธรรมดำสอบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกันหาพิชาติประพฤติธรรมขาว 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกันหาพิชาติบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาว 4. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสุกกาพิชาติเกิดในตระกูลสูงประพฤติธรรมดำห้ 5. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสุกกาพิชาติประพฤติธรรมขาว 6. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสุกกาพิชาติบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาว 22. นิเพทะพาคิยะสัญญากำหนดหมายในยานอันเป็นส่วนชั่แรกกิเลสห นอนิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 2. อ, อนิจเจทุกขสัญญากำหนดหมายความเป็นทุกในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 3. ทุกเข อ, อนัตตาสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ 4. ปหาณสัญญากำหนดหมายเพื่อละอากุศลวิตกและบาปทมทั้งหลาย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 ไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นละถึงเพื่อประโยชน์เพื่อเกลื้อกูลเพื่อสุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวด6จบสังคีติหมวด7ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย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 หอริยทรัพย์7หนศรัทธาธนะซับคือศรัทธา 2. อสีลธนะซับคือศีล 3. หิริธนะซับคือหิริ 4. โอต ป, ปะธนะซับคือโอต ป, ปะ 5. สุตตะธนะซับคือสุตตะ 6. กจารคธนะซับคือจาคะ 7. ปัญญาธนะซับคือปัญญา 2. โงชง7 1. สติสัมโูชชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ 2. ธรรมวิจยะสัมโู้ชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการเฟ้นธรรม 3. วิริยะสัมโูชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร 4. ปีติสัมโู้ชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจ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 4. อาัตธรรม7ภดิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 2. เป็นผู้ไม่มีหิริ 3. เป็นผู้ไม่มีโอตตปะ 4. เป็นผู้มีสุตะน้อย 5. เป็นผู้เขียดคร้าน 6. เป็นผู้มีสติหลงลืม 7. เป็นผู้มีปัญญาสาม สัตธรรม7ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีหิริ 3. เป็นผู้มีอตปะปักสเป็นผู้หูสูตรหเป็นผู้ปรารบความเพียร 6. เป็นผู้มีสติมั่นคง7เป็นผู้มีปัญญา สัพพริศธรรม7ภิกพิสูในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นธรรมมัญยูผู้รู้จักเหตุ 2. เป็นอัฏฐันยูผู้รู้จักผล 3. เป็นอัฏตัญยูผู้รู้จักตน 4. เป็นมัตตัญยูผู้รู้จักประมาณ 5. เป็นกาลัญยูผู้รู้จักการเวลา 6. เป็นปริสันยู ผู้รู้จักชุมชนเจ็ดเป็นปุคาลันยูผู้รู้จักบุคคลเจ็ดนิทษาวัตถุเหตุให้ได้ชื่อว่าผู้มีอายุไม่ถึงสิบปีเจ็ด ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานศิกขาและไม่ปราศจากความรักในการสมาทานศิกขาต่อไป 2. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการใไข้ครวนธรรมและไม่ปราศจากความรักในการใไข่ครวนธรรมต่อไป 3. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการกำจัดความอยากและไม่ปราศจากความรักในการกำจัดความอยากต่อไป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 2. อ, อนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง 3. อสุภาสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 4. อาทินวสัญญากำหนดหมายโทษทุกข์ของกายอันมีความเจ็บไข้ต่างๆ 5. ปหานาสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย 6. วิราคะสัญญากำหนดหมายวิราคะว่า เป็นธรรมละเอียดปราณีต 7. นิโรธสัญญากำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดปราณีต 9. พลาภะเจ 1. สัทธาภลระกำลังคือสัทธา 2. วิริยระภละกำลังคือวิริยะ 3. หิริภละ กำลังคือหิริ 4. โอตตะ ป, ปะภละกำลังคือโอตตะ ป, ปะ 5. สติภละกำลังคือสติ 6. สมาธิภละกำลังคือสมาธิ 7. ปัญญาภละกำลังคือปัญญา10 วิญญาณทิติภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณ7 1. สัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์เทพบางพวกและวินิปาติกะบางพวกนี้เป็นวิญญาณทิติที่หนึ่งสมีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นโพรมา ย, ยิกาเทพผู้นับหนึ่งในหมู่พรหม นี้เป็นวิญญาณอทิติที่สองส ม, มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพชัน้นอภัสระนี้เป็นวิญญาณถิติที่สามีมีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชัน้นสุภกินหะเทพผู้เต็มไปด้วยความงดงามนี้เป็นวิญญาณถิติที่สห มีสัตว์ทั้งหลายบรรลุอากาสานันจยนายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานนตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิญญาณติที่ห 6. มีสัตว์ทั้งหลายล่วงอากาสานันจยนายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณันจยนายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ นี้เป็นวิญญาณทิติที่6 7. เจ็มีสัตว์ทั้งหลายล่วงวิญญาณจาัญญาจตนาชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญาจตนาชาญโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นวิญญาณทิติที่7จ<ค><ณ> 11. ทักขิเนยะบุคคลบุคคลผู้ควรแก่ทักษินา7 1. อุปโตภาควิมุตติผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วน 2. ปัญญาวิมุตติผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา 3. กายสักขีผู้เป็นพญาในนามกายด้วยกาย 4. ทิฏฐิปั ต, ตะผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิ 5. สศัทธาวิมุตติ ผู้หลุดพ้นด้วยศรัท ธ, ธา 6. ธรรมานุสารีผู้เล่นไปตามธรรม 7. สัท ธ, ธานุสารีผู้เล่นไปตามศรัท ธ, ธา 12. อนุัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดาน7 1. หกามราคานุัยอนุัยคือความกำหนัดในกาม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 สิสังโยตกิเลตเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพเจ็อนุนยะสังโยชตสังโยตคือความยินดี 2. ปฏิฆะสังโยชตสังโยตคือความยินร้าย 3. ทิฏฐิสังโยชตสังโยตคือความเห็นผิด 4. วิจิกิจช้าสังโยตสังโยตคือความลังเลสงสัย 5. มานะสังโยชตสังโยตคือความถือตัว 6. ภวะราคาสังโยชน์สังโยชน์คือความติดใจในภพบ 7. อวิชชาสังโยชน์สังโยชน์คือความไม่รู้แจ้ง 14. อธิกรณะสมถธรรมธรรมเป็นเครื่องระ ง, งับอธิกรณเเพื่อระ ง, งับ เพื่อดับอธิกรณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้ว 1. งสงพึงให้สามมุขาวินัยสงสงพึงให้สติวินัยสสงพึงให้อมุลหะวินัยสสงพึงให้ปติญญาตะกระณะ 5. สงพึงให้เยพุยะสิกา 6.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 เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวด7จบภาณวาระที่2จบสังคีติหมวด8ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย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 8. มิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิด 2. ส, สัมมัตตะความเป็นธรรมที่ถูก 8. 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสองสัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. ส, สัมมาวาจาเจรจาชอบ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 สทักขิเนยะบุคคลบุคคลผู้ควรแก่ทักซินา8 1. พระโสดาบัน 2. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพันธ์สามพระสกะทาคามี 4. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกะทาคามิผล 5. พระอนาคามี 6. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผล เจ็ดพระอระหันต์แปดบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหันตผล